คนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ต้องเป็นคนละเอียดนะอย่าแค่สักว่าเราได้ปฏิบัติตามคำที่ท่านว่าแต่ให้มันตรวจเช็คว่าเราเนี่ยได้ทำแล้วเนี่ยมันถูกในแบบที่ท่านวางกรอบวางแนวถูกกับผลลัพธ์ที่ท่านวางเอาไว้ให้หรือเปล่า อันนี้ถ้าเราไม่ละเอียดเนี่ยมันก็จะมีมีข้อที่มันจะทาให้กิเลสเนี่ยมันก็เอาไปเป็นเครื่องมือเราก็เหมือนปฏิบัติธรรมนั่นแหละแต่กิเลสมันก็คอยบังคับบัญชาให้เราปฏิบัติธรรมในแบบที่มันมันบงการเหมือนจะ ทำได้ดีเหมือนจะทำได้ถูกต้องแต่สุดท้ายถ้าเราตรวจเช็คตรวจสอบให้ดีแล้วเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนบางแง่มุมที่กิเลสของเราเนี่ยมันไม่ได้โดนขัดไปกิเลสมันก็จะฝังนอนเนื่องสะสมกำลัง แล้วก็เราก็จะไม่เห็นมันนะสำหรับคนที่ไม่ละเอียดรอเนี่ยผู้ล้วก็อาจจะงงๆอย่างยกตัวอย่างเหมือนกับการที่ได้วิเวกออกจากหมู่คณะก็ได้ขึ้นชื่อว่าเราปฏิบัติอสังคณิกา ก็คือการไม่คลุกคลีด้วยหมู่ซึ่งมันก็เป็นทำเครื่องแผดเผากิเลสขูดกล่ากิเลสอย่างดีแต่การที่เราจะประพฤติปฏิบัติทำข้อนี้ประพฤติปฏิบัติทำในหมวดที่เรียกว่าอสังคณิกาคือการไม่คลุกคลีด้วยหมู่ให้มันดีเนี่ย มันก็ต้องให้มันบรรลุวัตถุประสงค์ด้วยเพราะว่าทมอันนี้มันเป็นรมเครื่องขูดกราวกิเลสใช่ไอย่างน้อยการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมู่แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาสำรวจใจด้วยว่าเราได้โดนขัดกิเลสออกไปได้มากน้อยอยังไงมากน้อยเท่าไหร่แล้วกิเลสที่มันมีอยู่ในใจเรา ถ้าเราดูให้มันทุ่นทั่วแล้วเนี่ยมันมีส่วนไหนที่มันได้โดนขูดออกไปบ้างแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราต้องไม่โดนกิเลสเนี่ยในบางส่วนที่มันพอกพูนขึ้นมาอย่าให้มันมีอย่างนั้นซึ่งมันก็คงจะเป็นคำถามมาแหละวะ่าเอ้ยการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมูเนี่ยมันก็เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าสันเสริญ แล้วก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปวุ่นวายกับเรื่องต่างๆมันก็น่าจะเป็นเครื่องทำความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตใจได้ดีแล้วก็มีเวลาที่เราจะมาใคร่ตรวนพิจารณาหรือว่าปฏิบัติทําได้เต็มที่ถ้าเราปฏิบัติถูกมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละแต่มันก็จะมีทางแยกเล็กๆ เส้นบางๆที่ถ้าเราทำไปแล้วเนี่ยมันเหมือนจะถูกแต่มันไม่ถูกการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมู่การที่เราได้ปลีกวิเวกออกมาไม่อยู่กับหมูกันะแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะใช่นะว่าเรื่องวุ่นวายที่เราเคยพบเคยเจอเคยประสบเนี่ยมันก็ลดลงไป เราก็ทำความสงบได้เต็มที่ลดเรื่องวุ่นวายลงไปใจเราก็ไม่วุ่นวายซัดสายสายแสไปในเรื่องอดีตในแบบที่ผ่า น, านมาแต่พอเราปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียวหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับคนน้อยลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็นานๆเข้านานเข้าเนี่ย ถ้าเราไม่หมั่นสำรวจตัวเองแล้วเนี่ยมันจะมีกิเลสตัวหนึ่งที่มันคอยมีกาลังสะสมกำลังมากขึ้นนะแล้วก็มันจะคอยกัดกินอยู่ในใจเรานี่แหละแต่บางทีถ้าคนไม่สังเกตแม่นละเอียดเราออก็จะไม่รู้เราก็จะรู้แต่ว่าเออเราไม่วุ่นวายไปกับเรื่องข้างนอกไม่วุ่นวายไปกับเรื่องของคนโน้นคนนี้คนนี้คนนั้น เราก็มีเวลาที่เราจะมาดูลมหายใจมีเวลาที่เราจะพุโทโธก็เหมือนว่าเราได้ปฏิบัติธรรมได้มากมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งก็ถ้าเราทำอย่างนี้ไป น, น, นานๆแล้วเราขาดความละเอียดรอบครอบเนี่ยไอกิเลส ต, ตัวเนี้ยมันก็จะมีตัวหนึ่งที่มันจะคอยอเขาเรียกว่ามีอัตตาตัวตนมีอั ตาในความยึดถือไอความที่อยู่คนเดียวความที่อยู่สันโดษความที่ไม่คลุกคลีด้วยหมู่ของเราเลยแหละมันก็จะยึดถือตรงนั้นก่องตรงนั้นบางคนอาจจะถามว่าเอา้าวแล้วมันไม่ดีหรือไงมันก็ยึดถือในในแง่มุมที่มันดีมันก็น่าจะดีใช่ไหย ถ้าเราปฏิบัติได้ดีมันดีแน่นอนแต่ถ้าเราปฏิบัติได้ไม่รับคอบเนี่ยอันหนึ่งก็คือว่าความเป็นตัวเป็นตนของเราเนี่ยมันก็จะเกาะครูพูดง่ายคือเรามีไลฟ์สไตล์อันใหม่เรามีไลฟ์สไตไลไต์ที่เราจะอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใคร น, นนนีนั น, นแล้วก็ทำของเราคนเดียวและยิ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะบอกว่าอยู่คนเดียวมันก็ไม่อยู่คนเดียวจริงนะ มันอยู่คนเดียวอยู่ในห้องมันก็ตัวอยู่ในห้องแต่สิ่งต่างๆเนี่ยโลกภายนอกเนี่ยมันก็ยังรู้ได้สัมผัสได้เพราะอะไรเพราะเทคโนโลยีแถวนี้เนี่ยมันเปิดกว้างเราอยู่ในห้องเนี่ยถึงมันจะห้องแคบๆเล็กๆแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเราอยู่บนโลกไปเดียวกับคนที่เขาไม่ได้ ปลี่ก็มาอยู่ในห้องนั่นแหละก็อยู่บนโลกกว้างเหมือนกันอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่มันก็ถ้าพูดให้เห็นภาพขึ้นก็เหมือนพวกเก็บตัวใช่ไหมเก็บตัวไม่สูงสิงกับใครก็มีโลกส่วนตัวอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตอยู่ในโลกที่เราสั่งได้ว่าเราจะดูเรื่องนั้นเราจะเสพเรื่องนี้มัน ตามใจเราได้ทุกอย่างก็เหมือนเด็กๆที่พ่อแม่เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีมี iPad ใช่ไหมเขาถึงบอกว่าถ้าเราเลี้ยงลูกด้วยเทคโนโลยีแบบนี้โดยถ่ายเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิสั้นมีความอดทนต่ำแล้วก็คนสมัยนี้ก็จะไม่ใช่เฉพาะเด็กหรอกผู้ใหญ่เนี่ยจริงๆก็เป็น ความอดทนของเราเนี่ยมันก็จะต่ําลงเพราะว่าเราเคยชินกับการที่ได้รับการตอบสนองได้ทันใจในแบบที่อยากได้มากขึ้นพอมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยความอดทนต่อพัฒนะของเราเนี่ยมันก็จะดวนกัดกินกัดกร่อนไปโดยในความที่ตอบสนองได้ทุกๆครั้งตอบสนอง กิเลสได้อยู่บ่อยๆเนืองๆโดยที่ไม่ขัดใจไม่ขัดกิเลสเลยเนี่ยมันก็จะทำให้คุณธรรมที่เรเรียกว่าความอดทนอดกลั้นของเราเนี่ยมันลดลงไปถ้าเรานึกภาพเด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยแบบนี้เนี่ยแน่นอนแหละเขาก็สมาธิสั้นอดทนต่ำใช่ไหมปัญหาของคนเนี่ยสมัยนี้มันก็เลยทำให้ มีความอดทนต่อภาษะน้อยหมอจิตเวชเนี่ยเขาจะระบุว่าเอาพวกนี้เนี่ยพออดทนน้อยมันก็มีความกดดันในใจมากเขาก็จะระบุ ว, ว่าพวกนี้เป็นพวกซึมเศร้าโรคซึมเศร้าหละก็บำบัดด้วยยาบ้างแหละบำบัดด้วยการพูดคุยบ้างก็ควบคู่กันไปคนสมัยนี้ก็เป็นแบบนี้กันเยอะ ความกดดันมากแต่ศักยภาพในการรับหรือต่อสู้กับความกดดันเนี่ยก็มีไม่มากพอแล้วถ้าเกิดไปผนวกกับไอไลฟ์สไตล์ที่เป็นคนเก็บตัวด้วยเก็บตัวมีโรคส่วนตัวแล้วก็มันก็เหมือนเด็กๆที่ว่าสั่งได้ ทุกอย่างตอบสนองได้เหมือนกับที่เราอยากได้ก็คือตัวคอมพิวเตอร์โซเชียลมีเดียพวกนี้มันก็จะกัดก่อนลงไปกัดก่อนจิตใจของเราให้เรามีความอดทนกลั้นน้อยซึ่งดูดูไปเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนกับว่าเราได้เดินบนเส้นทางที่เรียกว่าไม่คลุกคลีด้วยหมู่ใช่ไหมแต่กลับกลายเป็นว่า เราปล่อยจิตใจให้มันไหลไปตามหมู่คณะในโซเชียลอย่างนี้ใน YouTube ใน Facebook หรือว่าในเว็บไซต์ต่างๆนู่นนี่นั่นที่มันก็พาใจของเราไปแ น, น่นอนแน่นอนแหละบางคนก็อาจจาะเอาฉันก็หยุดจากตรงนี้ฉันก็มาเข้าสมาธินะฉันก็มานั่งสมาธิด้วยนะ ซึ่งจริงๆทําแบบนี้มันก็ไม่ค่อยต่างกันไม่ค่อยต่าง ก, กันกับที่เราไปทำงานแล้วเราก็พบปะผู้คนแล้วเราก็กลับมาบ้านมาทำความสงบทาสมาธิหาความสงบใจด้วยก็ไม่ต่างกันแหละเพียงแต่ว่าไอเวลาที่เราใช้ในแบบเก็บตัวไปอยู่ในโลกของคอมพิวเตอร์ เกมบ้างยูทูบบ้างเฟซบุ๊กบ้างนู่นนี่นั่นไปมันก็เป็นการคลุกคลีด้วยหมู่อีกแบบนึงอะในแบบโลกยุค 2,000 มันก็ไม่เหมือนกับ 2,000 ปีที่แล้ว 2,500-2,600 ปีที่แล้วมันไม่มีแบบนี้เพราะฉะนั้นการที่เราออกจากหมู่คณะก็จะไม่เจอหมู่คณะจริงๆแต่สมัยนี้เนี่ยออกจากหมู่คณะ ก็ยังจะไปเจอหมู่คณะในในโลกเสมือนมันก็เรียกว่าไม่ได้ออกจากหมู่คณะจริงๆนั่นแหละแล้วมันทำให้แยกครับไปกว่าเดิมนะอยู่ในหมู่คณะจริงๆมันยังเจอคนเป็นๆ เ, เห็นสีหน้าเห็นท่าทางอารมณ์ที่เขาแสดงผ่านทางกายวาจาออกมาให้เราได้สัมผัสได้รับรู้ แต่ในโลกของมือถือคอมพิวเตอร์เนี่ยบางทีมันไม่เห็นหน้าไงไม่เห็นหน้าเห็นแต่เทกซ์บ้างหรือเป็นการสื่อสารทางเดียวผ่านคลิปวิดีโอบ้างมันก็ทำให้เราเนี่ยได้รับแต่สิ่งที่น่ายินดีพอใจอย่างเดียวแล้วก็เลยทำให้มันเหมือนกับว่าได้รับการ กิเลสน่มันได้รับการตอบสนองได้อย่างเต็มที่อยากจะได้อะไรมันก็ได้ได้ในแบบที่พอใจแล้วพอคนพวกเนี้ยออกมาสู่โลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเนี่ยมันก็จะต่ำลงแล้วนะไม่ใช่ว่าปลีกวิเวกออกไปจากหมู่คณะแล้วจิตใจจะเข้มแข็งขึ้นธรรมะของเราก็ ค, คือความอดทนอ ด, อดกลั้น มีสติสัพพัญญะที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยก็จะไม่ใช่ละแต่แน่นอนละบางทีมันไม่รู้ตัวหละว่ามันตนกัดก่อนไปพอออกไปข้างนอกเจอผู้คนเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจก็จะทำให้คิดได้ว่าเออข้างนอกมันวุ่นวายวุ่นวายงั้นเราก็รีบกลับเข้ามาที่ โลกใบนี้ที่เราสร้างเอาไว้ดีกว่าโลกในห้องของเราโลกที่เราอยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับโซเชียลมีเดียต่างๆเราก็จะโทษข้างนอกกับโอ้ยข้างนอกก็มันมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่ดีเนี่ยก็เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าว่าไว้นั่นแหละเพราะมั น, นวุ่นวายงั้นเราก็มันหลบอยู่ตรงเนี้สบายกว่า จะหลบอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณากันจริงเนี่ยลบแบบนี้ในกิเลสมันถูกขูดถูกแผดเผาไหมมันไม่ได้ถูกขูดไม่ได้ถูกแผดเผานะคนปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นนักหลบแบบนี้เขาจะเป็นนักรบเรารู้จักทุกเราก็สู้ ฟันฝ่าทุกออกไปไปถึงที่สุดแห่งทุกแต่นี่ออกไปยังไม่ทันลยเลยเจอนู่นนี่นี่นั่นก็นหนีหนีอย่างเดียวเป็นนักหลบนักหลบนี่ไปถึงที่สุดแห่งทุก์ไม่ได้นะการที่เรารู้จักอดทนต่อผัสสะคือไม่ใช่ว่าอะไรตะบีตะบันสู้ก็ไม่ใช่นะ หมายถึงว่าเราเนี่ยต้องละเอียดละอองไงในจังหวะที่เราต้องสู้ก็สู้แต่ถ้ามันกั้มกึง่งว่าสู้ก็ได้หนีก็ได้เราก็อย่าเลือกที่จะหนีสักทุกครั้งก็ต้องเลือกที่จะสู้ด้วยคือมันไม่มีอะไรที่มันเดินหน้าลอยอย่างเดียวละแล้วมันจะดีก็ไม่ใช่ขณะในสงครามจริงๆเนี่ยเขายังแบบ รุกแล้ว ก, ก็ต้องหยุดหยุดพักบางครั้งเขาก็ต้องถอยถอยเพื่อจะเดินหน้าอย่างนี้เป็นตน้นมันจึงต้องไม่ใช่ตะบี้ตะบันไปในแบบใดแบบหนึ่งเราก็ต้องรู้จักว่าจังหวะไหนต้องเร่งจังหวะไหนต้องผ่อนจังหวะไหนต้องหยุดแต่แน่นอนว่าถ้ากิเลสมันกำหัวใจเราเนี่ยมันก็จะให้เราถอยอยู่เรื่อย ให้เราหนีอยู่เรื่อยเพราะมันสบายไงเรามจะไม่เจอผัสสะที่เราไม่น่าพอใจมันก็สบายแต่มันสบายชั่วประเดี๋ยวประดาวมันไม่ได้สบายจริงจงัแบบจริงจริงคือตอนนี้ยังหลบได้ก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเกิดมันหลบได้อย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ทาให้เราก้าวหน้าไปไหน การงานที่เราจะต้องทำมันก็ไม่คืบหน้าไปไหนแทนที่จิตใจเราจะได้รับการพัฒนาก็มันก็เหมือนจะถอยหลังไปอ่ะเพราะเราหลบอยู่เรื่อยหลบหลบเลี่ยงอู่งานเพราะฉะนั้นคุณภาพโดยรวมอ่ะมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วนี่ก็จะโยงมาให้เห็นว่า การที่เราบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องให้มันละเอียดละออต้องพิจารณาเนื่งเนืองพิจารณาให้มันถี่ถ้วนถ้าเราทำได้มันถูกต้องตามในแบบที่ทำนั้นๆควรจะดำเนินเนี่ยมันก็จะได้ผลดีแต่ถ้าเราทำแล้วเอากิเลสที่มันเป็นเรียกว่าข้ออ้างของกิเลสอะ่ะมันมาใช้อะ่ะมันก็ปฏิบัติได้ไม่ถูกทางในแบบที่มันควรจะเป็น มันก็ได้ผลไม่ดีเพราะฉะนั้นอย่างวันนี้ได้ยกตัวอย่างของเรื่องอาสังคณิกาใช่ไหคือการไม่คลุกคลีด้วยหมูแต่ถ้าเราไม่คลุกคลีด้วยหมู่แล้วทำไม่ถูกทางเราก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอทั้งอารมณ์ความอดทนอดกลั้นต่ำอะไรอะไรก็เป็นนักหลบไม่ใช่นักลบ แล้วเราก็จะเป็นคนที่จะมาสร้างโลกหลอกตัวเองโลกใบหนึ่งอ่ะที่เราคิดว่าเอออันนี้เป็นเซฟโซนแล้วเราอยู่ตรงเนี้ยปลอดภัยแต่มันก็ไม่ได้ออกไปสู่โลกของความเป็นจริงที่เราจะต้องก้าวเดินต่อไปก็จะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะั้นความความใคร่ครวนพินิษพิจารณาจิตใจ ของเราเนี่ยรู้เท่าทันจิตใจของเราเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเราจะได้สอบทวนว่าไอทางเดินที่เรากำลังทําอยู่ตรงนเนี้ยมันมันมันมีจุดบกพร่องตรงไหนที่เราต้องแก้ไขตรงไหนที่เราทําได้ดีแล้วเราก็ต้องรักษาดี เพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่แบบหน้าตาหยาบช้าอย่างเดียวไม่ไม่ใช่นะมันก็หน้าตาดีๆแต่งตัวแบบผูกเนคไทยมาหาเราก็มีแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไม่เท่าทันเนี่ยมันก็จะมาติสนิทเราแล้วเราก็จะคบกับมันคบหากับมันความก้าวหน้าของเรามันก็จะ เกิดไม่ได้ดีหรือถอยหลังด้วยซ้ําแต่แน่นอนแหละถ้าเรายังคบหามันอยู่เนี่ยมันก็มีวิธีหลอกล่อให้เราเข้าใจผิดจากผิดเนี่ยให้เห็นว่าเป็นถูกจากที่เราทําไม่ดีให้เราเห็นว่าเราทําดีแล้วแล้วมันก็มีคําถามวนะ้า เ, เราจะจะแก้ไขยังไงเราจะรู้ได้ยังไงใช่ไหม มกต้องทดสอบนั่นแหละใช่ป่ะเราบอกว่าเราอยู่ในห้องเราก็ไม่โดนภาษาเราเป็นการคลุกคลีด้วยหมู่เราปฏิบัติธรรมแต่ถ้าเราลองออกไปเจอภาษาข้างนอกบ้างเจอคนบ้างแล้วมันกระทบกระเทือนจิตใจมากขึ้นมากกว่าเก่ามันก็ต้องเป็นคำถามแล้วว่า ไอ้ที่เราทําอยู่ตรงนี้ศักยภาพเรามันเหมือนจะไม่เพิ่มขึ้นนะลดลงหรือเปล่าถ้ามันเหมือนไม่เพิ่มขึ้นแล้วมันลดลงเนี่ยไอ้ทางดําเนินของเราอันเนี้ยมันต้องมีอะไรผิดปกติมันจะต้องมีช่องโหว่อะไรอยู่แล้วมันทําให้เรากลายเป็นนักหลบหรือเปล่าอ่ามันก็จะต้องตั้งคำถามอะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสอบ อย่ามั่นใจในใ น, ในเครื่องดำเนินของเราแต่ให้เราทดสอบด้วยถ้าเราไปเจอข้างนอกเราก็ไม่ไม่กระทบกระเทือนใจมากแล้วก็ถึงกระทบกระเทือนเนี่ยเราก็มีสติปล่อยวางได้เร็วอย่างนี้ถือว่าอ่าอย่างนี้แสดงว่าไอทางดำเนินของการที่เราไม่คลุกคลีด้วยหมูเนี่ยมันก็น่าจะส่งผลดีแล้ว อย่างหนึ่งก็คือให้เราคอยสอบทวนสอบถามมันคุยกับผู้รู้บ่อยๆซึ่งคนที่เดินผ่านไปแล้วเดินทางผ่านไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีประสบการณ์นั่นแหละและเครื่องดําเนินของเราเนี่ยเขาก็จะมีความรู้ที่เขาจะรู้ว่าไอ้สิ่งที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยมันตรงไหนเป็นจุดแข็งตรงไหนเป็นจุดอ่อน เราควรจะปรับปรุงตรงไหนบ้างแล้วเราควรจะต้องไปสอบตัวเองอ่ะยังไงตรงไหนบ้างนอาจากจะคอยต้องพิจารณาละเอียดละอในตัวเองแล้วเนี่ยกระยาณมิตรก็เป็นอีกตัวช่วยหนึ่งของเราที่ดีที่เราจะ ไม่พลาดง่ายๆอ่ะแล้วก็ไม่ดูในตัวพวกแบบใส่สูตรใส่นิกไทยลอมาเชียมามาตีสนิทกับเราอย่างคนที่เขาเป็นพวกแบบเขาเรียกอะไรอ่ะวิปัสสนากิเลสล่ะล้านๆนั่นแหละก็คือว่าปฏิบัติทำไปปฏิบัติทำไปก็ออกจะเพี้ยนๆอะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างหลายแนวนะ ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครไม่เป็นก็ดีนะแต่ถ้าใครใครได้เดินทางเส้นนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเพราะว่ามันก็เหมือนจนเส น, นอกอะ่ะตีสนิทเราเลยคิดอ่านอะไรก็เหมือนเป็นธรรมะไปหมดใจก็หมุนติ้วติ้วติ้วเหมือนผลิตธรรมะอยู่ตลอดเวลาซึ่ง บางทีมันก็เส้นยแดงคาบเกี่ยวกันนิดหน่อยระหว่างถูกกับผิดนะแต่คนที่มันเพี้ยนๆไปเนี่ยมันก็เป็นกิเลสมันหมุนติ้วๆแบบธรรมะมาหลอกเราเนี่ยแหละก็มีเยอะอันนี้ถ้าไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่คอยบอกคอยสอนนี่ก็ไปยากเพราะคนที่เดินผ่านมาแล้วคนที่เดินทางผ่านผ่านแล้วเนี่ยเขาก็ บอกได้ว่าอันนี้ต้องระวังแต่เราไปตกหลุมมา น, นี่แล้วเนี่ยท่านช่วยฉุดดึงขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ก็อย่าให้ตกหลุมเดิมซ้ำนะอันตรายเพรา ะ, ะนั้นก็ต้องคอยมีสติอยู่เรื่อยๆนี่แหละคอยหมั่นสอบทวนกับมักแปนี่แหละว่ามักแ8เรามัน บริบูรณ์ดีไหมเราคิดคิดไปเพื่อที่จะหลีกออกจากกรามไหมคิดไม่เบียดเบียนใครคิดไม่พยาบาทใครถ้าเป็นแนวเนี้ยมันดีแน่นอนโดยเฉพาะมีความคิดที่เราจะหลีกออกจากกรามก็จะดีแน่นอนแล้วก็ต้องคอยสอบทวนตัวเองนั่นแหละว่า การที่เราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเราเจะเหมือนว่าเดินบนเส้นทางของการปฏิบัติธรรมอย่างเข้มแข็งนะสิ่งที่จะเป็นตัวจุดชี้ได้ดีก็คือเวลาที่เราเจอภาษาอะไรต่างๆแล้วใจเราก็เทือนไหมอะถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราปฏิบัติธรรมอยู่ในกรอบของธรรม แต่ถ้าเกิดตนคนนุ้นคนนี้มาแล้วก็คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ปฏิบัติธรรมคนนี้ก็โอ้ยเดี๋ยวทำไปก็รนนะกจะถามหาเบียดเบียนคนนั้นเบียดเบียนคนนี้คนนี้ก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีอันนี้ไม่ดีนะมันจะเขาเรียกว่าเพ่งโทษคนอื่นนะนะเพราะฉะนั้น การที่เราปฏิบัติทำแล้วเนี่ยถ้าใจเราเป็นกลางๆอยู่ได้อันนี้ดีแน่แต่ถ้าใจเรายังคอยเพ่งโทษคนอื่นอยู่อันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะการเพ่งโทษมันก็คือการกระเทือนจิตใจของเราเลยแหละใจมันกระเทือนแล้วมันก็คือทุกข์แบบหนึ่งใช่เราอยากจะมีทุกข์ไหมล่ะถ้าเราไม่อยากมีทุกข์มันก็ต้องแก่กันด้วย แล้วก็ใจที่มันกลางๆอ่ะสุดท้ายถ้าเรากระเทือแล้วปล่อยวางใจเราเป็นกลางกับมันได้เรื่องไม่ดีมันก็ไม่ดีของเขาสุดท้ายมันก็สัตว์โลกเป็นไปตามกรรมเนี่ยนะนะกัมมุนาวัตะติโลโกโลสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมใครทําดีมันก็ได้รับผลของกรรมดีใครทําไม่ดีก็มันก็ไม่ได้รับอ่ะมันก็ได้รับผลของกรรมไม่ดีไปมันก็ เป็นไปนตามกรรมอ่ะเราะนั้นถ้าใจเรายังเป็นกลางๆอยู่ไดนะ้อันนั้นมันก็จะพอที่จะบ่งชี้ได้ว่าน่าจะปลอดภัยกับมร๊แปดนี่แหละเป็นตัวมันเป็นทัดวัดแล้วก็ใจที่มันเป็นกลางๆ ก, กับภัสษาได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่พอการันตีได้ว่า อยู่ในเซฟโซนนะแล้วก็อย่าอยู่ในเซฟโซนให้จนเป็นนักหลบไม่เป็นนักครบไม่สู้ไม่ต่อสู้อะไรทั้งนั้นอันนี้ก็ไม่ดีเพราะฉะนั้นสู้สู้แล้วเราจะวางใจเป็นกลางได้อันนี้ดีไม่หลบไม่เลี่ยงไม่หนีมากจนเกินไปแล้วก็อยู่ด้วยความเป็นกลางได้อันนี้ดี